พระรุ่นบุกเบิกผมไม่ทันหลวงปู่บุญมีพอผมเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่บุญมีเป็นผู้ที่รับผิดชอบทุกอย่างในวัดหลวงปู่อยู่กุฏิเดียวกันกับที่ท่านอาจารย์อยู่ทุกวันนี้ท่านอาจารย์ปัญญาอยู่กุฏิเดิมจนท่านบรณภาพเมื่อสี่ปีก่อนในยุคนั้นมีพระอยู่ราวสิบรูปมีหลวงปูล่ลีหลวงพ่อปัญญาท่านเชอรี่ ท่านอาจารย์ประยู์ท่านอาจารย์อินถวายท่านอาจารย์วันชัยท่านเหล่านี้อยู่ที่วัดมาก่อนส่วนท่านสุดใจเข้ามาที่หลังท่านอาจารย์เหล่านี้ทุกองค์ต่างช่วยกันดูแลวัดจนเป็นวัดอยู่เช่นทุกวันนี้ท่านอาจารย์ปัญญาเข้ามาพร้อมกับหลวงปู่เชอรี่ผมจำความได้ก็เห็นท่านแล้วหลวงพ่อปัญญาบินทบาทอยู่ในครัวในวัดเพราะท่านเป็นโรคกระดูกส่วนท่านเชอรี่บินทบาทในหมู่บ้าน มีพระฝรั่งอีกรูปหนึ่งคือท่านฟิลิปบินทบาดพร้อมท่านปัญญาต่อมาท่านฟิลลิปหายไปไม่แน่ใจว่าท่านศึกออกไปหรือกลับต่างประเทศไปแล้วผมไม่เห็นท่านอีกเลย